ท่นานวิโยคาวจรทั้งหลายสําหรับวันนี้ก็มาขอพูดถึงกสินรวมคําว่ากระสินรวมนี่ไม่ได้มีอะไรพิเศษจะหมายถึงว่าผมจะพูดถึงกสินทั้งสิบอย่างโดยกสินทั้งหมดมีอยูสิบอย่างนีนกันก็คือหนึ่งปฐวีกสินการเพ่งดินสองอาโปกสินการเพ่งน้ํา สามเตโชกสินการเพ่งไฟสี่วายโยกสินการเพ่งลม <c oughs> แล้วก็ห้านีเลกสินการเพ่งสีเขียวหกปิตาการสินการเพ่งสีเหลืองเจ็ดโลหิตกสินการเพ่งสีแดงแล้วก็แปดอาโลกรสินการเพ่งสีขาว เก้าขอโทษแปด 8. โอทาะกสินการเพ่งสีขาวเก้อาอโลกกสินการเพ่งความแสงสว่างสิบอากาศกสินเพ่งอากาศ <c oughs> สาหรับการเพ่งกะสินนี่ต้องอยู่ในสภาพอันเดียวกันกับอธิบายที่มันแล้วเรจะหาแนวการพูดกันให้มากๆ แล้วก็หาเรื่องขายเสียงกันมันไม่ได้เกิดประโยชน์เพราะว่ามีความต้องการอยู่อย่างเดียวคือต้องการให้ท่านนั้นหลายเข้าใจ <c oughs> นี่ถ้าจะไปดูในวิสุทธิมรรคแต่ก็บอกว่าถ้าจะแผงดินก็เอาดินมาปั้นเข้าหรือว่าดินมาทากัะผ้าเข้ากว้างเท่านั้นยาวเท่านี้ แต่ว่าเวลาปฏิบัติจริงๆไม่ได้ทำแบบนั้นที่ผมทำกันมาเนี่ยผมไม่ได้ทำแบบนั้นแล้วว่าหลายๆท่านที่ปฏิบัติมาก็ไม่ได้ทำแบบนั้นถ้าเราอยากจะดูดินก็ดูดินจุดใดจุดหนึ่งเท่าแป้งเท่าก้นใดขนาดไม่จำกัด นั่ก็ลืมดาหลับตาลืมตาดูอย่างดูเช่นเดียวกับ ด, ดูไฟของพระลูกชายซึ่งดูสีแดงของพระลูกชายในช่างทองเมื่อไม่ต้องสร้างแบบเป็นกรณีพิเศษเอาแบบของพระพุทธเจ้านัน่นถูกต้องแล้วเมื่อเราอยากจะปฏิบัติปฐวีกสินนั่นก็ดูดินปฏิบัติในเตโชกสินแล้วก็ดูไฟ สำหรับไฟนี้ก็ไม่กันเวลาที่ผมทํากันผมก็ใช้เทียนธรรมดาไม่ใช่ใช้อะไรแตกต่างไปกว่า น, นี้ดูเปลวไฟไอ้เปลวเรียกว่าดูเฉพาะเนื้อไฟอย่าไปเอาฟันไฟเนี่อโะโพรพานินผมก็ใช้ก๊าซินแเอาน้ํามาใส่แก้วบ้างเอาน้ํามาใส่ขันบ้างดู มันก็ไม่มีอะไรบางทีเว้นั่งอยู่ที่สะพานน้ําเห็นน้ํำไหลผ่านหน้ามาแล้วก็ดูน้ำอย่างนี้มันก็ใช้ได้แลว้ววาโยกสินก็โดยการไหวไปไหวมาของยอดไม้ก็เอาจับสิมิตดยอดไม้มันไม่เห็นนิดลมในเมื่อมันไม่เห็นลมแล้วก็จับยอดไม้เป็นสําคัญการไหวไปไหวมาของบอยอดไม้และกิ่งไม้นั่นเราไปพิจารณากันด้านวาโยกสิน สิ้นมารลสิ้นเอกิอาปัวโยเห็นจะจบแล้วสินะกระสินดินกระสินลมกระสินไฟกระสินน้ํานี่จบสี่กระสินแล้วแล้วก็มาสแซมรอกระสินสีเขียวเราก็นั่งมองดูสีเขียวกระสินสีเหลืองแล้วก็ดูสีเหลือง สินส si si si so si uh, ีนแดงแล้วก ne. ็ดูกระสินสีนแดงกระสินสีขาวแล้วก็ดูสีขาวเอาไอ้สีขาวผมก็ติดกระสินไปเรื่อยก็ดูสีตามนั้นตอนนี้ออากาศกระสินนี่ก็ดูอากาศแสงสว่างแล้วก็ดูแสงสว่างก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนักจะไปหานโยบายพูดกันให้มาก แล้วก็มีค่าเศษมากๆคนจะต้องศึกษาเกี่กับสิงกองใดกองหนึ่งก็ต้องซื้อค่าเศษอันหนึ่งอันนี้ไม่ไม่ใช่วิสัยของผมผมไม่ต้องการให้ชาวบ้านเสียสตางค์มากถ้าผมทําแจกได้แต่ผมจะแจ ก, กเสียให้หมดไม่อยากให้ใครเสียเงินเลยแต่มื่อเอินทุนมันไม่มี ถ้าพุนมีจะทำอย่างนั้นตั้งใจเดิมหรือก็แบบนั้นแต่ไม่ทราบว่าความตั้งใจของผมมันจะสงความปรารถนาหรือไม่เป็นอันว่าเราก็ดูภาพนิมิตคือสีตามที่เราต้องการในเมื่อนิมิตเกิดขึ้นมันก็มีสภาพเดียวกับนิมิตที่ปรากฏกับพระลูกชายในข้างทองเื่านิมิตจริงๆ ที่เราต้องการสีเดิมจะเป็นยังไงเขาตามสิ่งที่ต้องการต่อไปมันจะกลายเป็นสีขาวที่ดน้อยดั่นน้อยแล้วก็เป็นสีประกายพลิกนี่ผมจะมาธิมบายมากคนแนวทางองค์สมเด็จพระพูมีพระพายเจ้ า, จาที่นำมาแนะนำไว้มีอยู่แล้วถ้าปรากฏว่ากาสิ่งของท่านเป็นประกายพลิกทั้งตามที่กล่าวมาแล้วในเรื่องราวของพระในจังทองก็สแสดงว่าจิตของท่าน เป็นฌานที่สี่ตอนนี้ท่านก็พิจารณาในในวิปัสสนาภาวนาหรือว่าพิจารณาไปด้วยพิจารณาไปที่จิตใจมันเลือนลางแ้กจูโฟงท่ า, ายก็หันเข้ามาจับกระสินใหม่จะเป็นกระสินกองไหนก็ได้ผมไม่ได้บังคับทุกกองถ้าหากว่าท่านพอใจกองใดถ้าทำกองนั้นได้ทิ้งฌานสี่ ก็ใช้พิจารณาตามนั้นเมื่อจิตเลื่อนไปก็จับภาพนิมิตใหม่ให้จิตใจทรงตัวมีอารมณ์คร่องมีจิตเป็นเอกาตาอารมณ์อารมณ์ไม่บอกแวกทรงตัวดีแล้วปัญญามันก็เกิดปัญญาเกิดตอนนั้นมันเกิดดีกว่าปัญญาที่เรามีอยู่ในปัจจุบันมากมีความแหลมคม แต่ปัญญากิดทรงตัวดีสมาธิทรงตัวดีแล้วเราก็หันกข้ามาใช้พิจารณาต่อไปทำอยางนี้สลับกันไปสลับกันม า, นานมันได้ฌานสี่แล้วมันได้ฌานสี่แล้วถ้าใช้วิปัสสนาญาณเชื ร, ริยสัจเป็นต้นหรือพิจารณาขันห้าหรือพิจารณาในวิปัสสนาญาณเก้าก็ได้ตามใจชอบ น้พิจารณาในตอนนี้ท่านจะไปเปรียบเทียบกับแนานุสติแนวสุปกรรมฐานอาหาเรเปริกูในสัญญายจตทัตยฐธานสี่พย า, ายามในมหาสติสติประธานก็ทำได้ทุกอย่างส่วนแล้วแต่ใจของเราต้องการให้เห็นว่ากายนี้มันไม่ดีให้ได้ไม้ไม่เห็นว่าร่างกายของเราไม่ดีจิตใจของเราไม่ยึดถือในร่างกายเป็นสำคัญไม่ต้องการร่างกายไม่ต้องการความเกิดอีก เท่านี้มันก็จบในการเจริญวิปัสาานาญาณกรรมฐานที่ว่าจบกิจในพระพุทธศาสนาไม่มีอะไรไม่ยากในเมื่อของไม่ยากผมก็พยายามพูดให้ไม่ยากแต่คืนว่าผมพยายามพูดให้ยากก็เป็นอาจเป็นการทําลายศาสนาเขาองค์สมเด็จพระผู้ทธมีพระภาคยาวไม่เกิดประโยชน์ <c oughs> นี่แนวทางปฏิบัติในกนสินทุกกองให้ก็ให้ปฏิบัติตามแนวทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงปฏิบัติกับบุตรชายในช่างทองอย่างนี้เชื่อว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อมรรคเพื่อผลไม่ใช่ปฏิบัติเพื่ออิทธิฤทธิ์ถ้าต้องการจะปฏิบัติเพื่ออิทธิฤทธิ์ก็จงปฏิบัติตามนี้ทำกสินทั้งหมดให้ได้ชาญสีทั้งหมด ย่าลืมว่าทำกรสินทั้งหมดนี้ให้ได้ฌานสี่ทั้งหมดเมื่อทรงฌานสีจ่จนคล่องก็ต้องคล่องจริงๆนึกขึ้นมาเมื่อไรเวลาใดก็ต า, ามดูแนวปฏิบัติในพิญญาหกความจริงปฏิบัติอภิญญาหกนี่ลำบากกว่าลําบากกว่าการปฏิบัติไมสมาบัติแปด แต่ถ้าว่าก็เป็นของดีเหมือนกันเอาไว้เล่นกันในขณะที่ยังไม่เป็นอรหรันต์เพราะว่าปฏิบัติในสมาบัติแปดใช้กระสินกองเดียว <c oughs> หรือว่าปฏิบัติในวิชาสามแล้วก็ใช้กระสินกองเดียวถ้าหากว่าเราจะทำให้เป็นอภินญญิาหกตามแบบท่านบอกว่าต้องใช้กระสินแปดอย่างแต่สำหรับความรู้สึกของผม เห็นว่าคนใช้หมดทั้งสิบอย่างมันไม่ใช่ของยากความจริงเป็นของง่ายเราทํากระสินกลองใดกองหนึ่งหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นชานสี่แล้วที่หลังเราก็มาจับกระสินอีกอย่างอีกเก้าอย่างใช้เวลายอย่างละไม่เกินสามวันเราก็มีความคล่องในชานสี่ของกรสินก่องนั้นนั้นสิบ เก้าเอกก้ากองเก้าสามยี่สิบเจ็ดเป็นอันว่าหลังจากที่เราทำกระสินอย่างใดอย่างหนึ่งชำนาญให้ชำนาญจริงๆนึกขึ้นมาเมื่อไรจับชันสองสามสี่หนึ่งสองสามสามสองหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสามสองอะไรก็ตามสลับกันมาสลับกันไปได้ทันทีที่เราต้องการเมื่อคล่องก็ต้องคล่องกันจริงๆ เมื่อคล่องกันจริงๆแล้วต่อไปแล้วก็จับเวลาคล่องในให้คล่องกองแรกให้มากให้ทรงตัวทรงเวลาก็ได้จะขยับขยายเวลาขึ้นเวลาลงก็ได้เป็นให้เป็นเปตามธัธยาศใส <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่สักแต่เพิ่วว่าหลับตาลงไปเห็นภาพลอยมาบางทีกว่าเห็นภาพได้ขนานแสนนานใช้เวลาตั้งหนึ่งนาทีสองนาทียามนี้ใช่ไม่ได้ มันต้องได้ทุกขณะจิตกําลังกินอยู่กําลังเดินอยู่กําลังคุยอยู่กําลับเพิ่งตื่นใหม่ๆเหนื่อยมาแสนจะเหนื่อยร้อนก็ร้อนกายก็ลาบากสามารถจับในมิจฉาสินได้ทันทีอย่างนี้ถึงจะมีประโยชน์แล้วอย่างนี้ถึงจะใช้ได้ที่ว่าคล่องคล่องจริงๆคล่องเหมือนกับเราหายใจ เวลาเราให้ใจนี่เราจะให้ใจเมื่อไรก็ได้เรียกว่าไม่มีลมให้ใจเป็นปกติชั้นใดอารมณ์จิตที่เราสามารถจะทรงฌานก็ทรงฌานได้เป็นปกติเหมือนกับลมให้ใจในที่ผมพูดนี่ไม่ใช่จะไปไปอวดไปอ้อไปอวดหรือว่าจะไปบีบบังคับให้ท่านจําต้องทําอย่างนี้ แล้วก็มันเป็นของทำไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นของทำได้จริงๆเป็นของไม่ยากว่าคล่องอย่างนี้เส้นหนึ่งกองกองอื่นๆทั้งนี้และอย่างอื่นๆอีกเก้าอย่างเป็นของง่ายอย่างชาสามวันก็เข้าทิ้งชาสี่มีเครามีความคล่องเท่ากันสามวันนี้พ้องกล่าวว่าอย่างช้านะ แต่ส่วนใหญ่ที่เขาเปลี่ยนกองใหม่เปลี่ยนกันวันละเก้าสามกองสี่กองห้ากองบางรายก็หมดสิบกองเลยภายในวันเดียวเพราะมันก็ไม่มีอะไรเหมือนก็คนกินข้าวเรากินข้าวกับน้ำพริกแล้วเปลี่ยนไปกินข้าวกับต้มยำเปลี่ยนไปกินข้าวกับแกงเปลี่ยนไปกินข้าวกับผัดเปลี่ยนไปกินข้าวกับอะไรก็ตามมันก็ไอ้กินข้าวนั่นแหละไม่มีอะไรแตกต่างกัน นี่ปกติเป็นอย่างนี้มาค่องอย่างนี้แล้วที่หลังถ้าเราจะเล่นฤทธิ์ก <c oughs> ็เลยพูดกันไปซสเลยมันป็ขอไม่ยากแต่คำว่าไม่ยากนี่ผมไม่ได้นะเวลานี้จะมาถามเรื่องฤทธิ์เรื่องเดบผมไม่มี <c oughs> <c oughs> แกแล้วออกฤทธิ์ไม่ได้ถ้าจะถามว่าเดิมออกฤทธิ์ได้ไหมผมไม่รู้เหมือนกันพิ่งจำไม่ได้ เวลานี้ถ้าผมจะตายใครจะฆ่าผมตายฤทธิ์ผมก็ไม่มีผมก็ตายผมถือว่าเรื่องความตายเป็นของธรรมดาตายเมื่อไรหมดทุกเมื่อนั้นบางคนจะไปคิดว่าถ้าใครเขาจับไปเขาจะฆ่าคนจะหานีผมเหาะไม่ได้เพราะหายตัวไม่ได้เวลานี้ผมทําอะไรไม่ได้หมดไม่ใช่เวลาที่ทําแล้วก็ทําไม่ได้แล้ว ให้ข้ามอะไรก็ตายเมื่อนั้นหมดเรื่องหมดราวเป็นของส บ, สบายๆวิธีจะเล่นลิศเขาบอกว่าให้ใช้วิธีอดีฐานจิตให้เกิดผลตามลิศที่เราจะต้องการท่านบอกให้ทําดังนี้ขึ้อหนึ่งเข้าชาญสี่ก่อนเข้าชาญสี่ในกระสิงกองใดกอหนึ่งเราจะจะต้องการเล่นลิ์แบบไหนถ้าเรเข้ากองนั้น <c oughs> มาเอาใจชาญศีแล้วอดิฐานว่าเราต้องการอย่างนั้นแล้วเข้าชาญศี อ, อีกเอาใจชาญศีแล้วอดิฐานทับอีกข้างหนึ่ง <c oughs> สิ่งที่เราต้องการจะสงความปรารถนานี่ว่าอย่างนี้มันก็รู้สึกว่าเป็นการฝึกใหม่ๆก็ทํากันแบบนั้นแต่เวลาผลที่ต้องการจริงๆเมื่อคล่องหมดทุกอย่างไม่ผับเดียวทําเป็นเลยตามนั้น ไม่ใช่ว่าจะมานั่งรอเข้าชาแนสีออกชาแนสีนึกนึกแล้วก็เข้าชาแนสีแล้วก็ออกชั้นสีแล้วก็นึกนี่มันเป็นเรื่องที่ฝึกใหม่ๆวิธีฝึกอย่างที่ผมเคยเขียนไว้เมื่อฝึกเล่นลิศ ต, ต้องการน้ําแข็งก็น้ําใส่ถ้วยมาเข้าชาแนสีแล้วออกชาแนสีอธิษฐานคอยน้ําในถ้วยนี้แข็ง แข็งขนาดไหนก็ตามใจเราเนึกก็เข้าชานสีใหม่ออกจากชานสีอดิฐันให้น้ำานแข็งจิตทรงอยู่ในชานสีเอานิ้วจิ้มลงไปมันก็แข็ง <c oughs> <c oughs> เห็นสีขาวแล้วต้องการเป็นสีเหลืองและสีทองก็ใช้ปิด ก, กะศกสินกรสินสีเหลืองเพ่งภาพสีเหลืองมันจริงมันกับแม่เดียวแล้วก็คล้อยภาพให้สีนี้เป็นสีเหลือง นี่ก็เป็นสีเหลืองเป็นสีทองนี่มีทีปฏิบัติจริงๆไม่ง่ายๆแบบนี้ไม่ยากทําให้มันคล่องที่กองใดกองหนึ่งก็แล้วกันแต่วิทยาศักดิว่าธรรมในพวกศักดิว่าธรรมนี่โอ ป, ปปะท่ปรมานี่ผมไม่เอาด้วยและก็อย่าลืมว่าถ้าเราเราพิจารณากระสินกองใดอยู่ถ้าว่าภาพอย่างอื่นปรากฏต้องตัดทิ้งไปทันที นี่เป็นของง่ายๆไม่มีอะไรยากสำหรับการดินมิตกัลสินดินกองมีริกึงคนอย่างเช่นกัลสินก็ลปทวีกัลสินคือกัลสินดินดินนี่มีสภาพแข็งเน่ก็สามารถจะดินมิตให้ของอ่อนเป็นของแข็งได้จะแข็งกันหนักไหนก็แข็งได้สำหรับอาโปกัลสินเป็นกัลสินกัลสินอ่อน อาปโปกสินนี่ของแข็งลาธิฐานให้อ่อนได้ที่ไหนไม่มีนม้ำอธิฐานให้มีน้ำได้ถ้าต้องการให้ฝนตกก็ใช้อปโปกสินเหมือนกั น, น, นถ้าอาปโปกสินอธิฐานให้ฝนตกฝนก็ตก <c oughs> น้ำ ม, มีน้อยเ้าทำให้น้ำ ม, มากก่อนได้มันคนได้ทุกอย่างไม่แหนบแปลกตั้งแบบเตโชกสินนี่ทำให้เป็นไฟเผาพลันอะไรก็ได้ถ้าหมเกิดเป็นแสงสว่างก็ได้ แล้วก็เตสำหรับเตโชกสิลนี่สามารถเป็นเหตุให้เกิดทิพยกุยานเป็นสมมุตท้ายของทิพยกุยานเห็นภาพต่างๆได้มีความเห็นภาพต่างๆคล้ายกับตาทิพยสาหรับวาโยกสิลนี่ลมนี่เบาทํากายห้ายกายให้เบาลอยไปอากาศได้ที่เราว่าเหาะนั่นเองร้อยที่ไว้รั่วการไวจะได้ใช้ถูก สำหรับนีเล็กศิล ส, สีเขียวทำสถานที่สว่างสว่างให้มืดได้ทำสิ่งวัตถุต่างๆที่มีสีอย่างอื่นให้เป็นสีเขียวได้วีเล็กสินไม่กระศินสีเหลืองแล้วก็สามารถจะนมิตรสีต่างๆที่ไม่ใช่สีเหลืองให้เป็นสีเหลืองได้ให้เป็นสีทองได้ <c oughs> อย่างนี้เขาเคยเล่นกัน นี่พูดว่าเขาเคยเล่นกันนะไม่ใช่ผมต้นไม้ธรรมดาธรรมดาเขานั่งดูแผลบเดียวต้นไม้กลายเป็นทองคาทั้งต้นเป็นดินทั้งจุดประจุดใหญ่ตามที่ใจนึกถ้ามองดูดินพับเดียวดินเป็นทองคำแต่ถ้าว่าอย่าลืมสีมันเป็นทองคำแต่ถ้าหากว่าสีมันเป็นทองคำแล้วถ้าใจแข็งแบบทองคาต้องเข้าต้องใช้ ปัตวีก็สินช่วยให้แข็งเหมือนทองคำํำเราจะวิสูน์ได้เลยว่ามันเป็นทองคําแท้ใช้เป็นทองคํากี่เปอร์เซนต์ก็ได้ที่อยไปทําอย่าไปทําอย่างนี้ไม่ดีเขาเทําเขาสร้างกันไว้คุอสมาธิสร้างกันไว้เพื่อการบรรลุมรรคผลถ้าไปเล่นซุกซนนี้ไม่เกิดประโยชน์แต่ที่บอกก็บอกแต่เพียงว่าใช้ผลได้ตามนั้น สำหรับโลหิเตเอกสินสีแดงก็อธิษฐานให้เกิดเป็นสีแดงได้ตามความประสงค์โอทาเตเอสินสีขาวให้ยกล่าวว่าสามารถทําที่มืดมๆให้มีแสงสว่างได้เพราทําสีอย่างอื่นที่ปรากฏให้เป็นสีขาวได้โดยถ้าที่ใดไม่เกินไปก็ทําให้เป็นแสงสว่างได้ อย่างวายูกสินนี่บางทีเขาไปอยู่ตามถาม้ำตามผาทํ า, าหน้าอากาศมันน้อยเขาก็ทําให้มันมีลมพัดผ่านอยู่สเสมอเสมอมันมีความสุขมีความสบายสําหรับโอทาเดกสินนี่ก็เป็นสมุดฐานของทิพย์ุคยานเหมือนกันถ้าทำเขาแล้วก็ใช้เป็นพื้นฐานให้เกิดทิพย์ุคยานได้ <c oughs> สําหรับอาโลกสินเป็นกาสินแสงสว่าง สามารถจะในนิมิตรูปหรือว่าวัตถุต่างๆให้มีรัศมีสว่างสวัยได้และทําที่มืดให้เกิดเป็นแสงสว่างก็ได้สว่างดีกว่าโอท่าตกระสินกระสินกอง น, นี้ก็เป็นกระสินที่เป็นพื้นฐานให้ตเตกิดที่เปรีย ญ, ญเหมือนกันและก็เป็นพื้นฐานสร้างที่เปรีย ญ, ญโดยตรงสําหรับอากาศกรสินสามารถทําจิตให้เห็นของที่ปกปิดอยู่ ยี่ของมีอยู่ในหีบในกล่องในหอ่อในที่ไหนก็ตามถ้าเราต้องการจะเห็นก็ใช้อากาศกระสินช่วยเนื่อว่าในที่ใดอากาศไม่ดีแล้วก็ทำเป็นเครื่องปรับอากาศเสียอากาศมันร้อนจัดแล้วก็ปรับให้มันเย็นอากาศมันเย็นจัดแล้วก็ปรับให้มันร้อนอากาศไม่พอก็ปรับอากาศพอดีตามความต้องการที่เราต้องการ เป็ น, นั้นว่าแกัสินทั้งสิบอย่างนี้ทำฤทธิ์ได้ตามนี้ที่เรียกกันว่าพิญญาหกเมื่อทรงพิญญาหกก็มีมีสแสดงฤทธิ์ได้มีหูเป็นทิพย์มีตาเป็นทิพย์มันก็ได้ทุกอย่างแต่เดาว่าผมคิดว่าไม่เป็นเรื่อง <c oughs> แต่พวกท่านหลายยังหนุ่มอย่างสาวกันอยู่เพราว่าหนุ่มสาวก็วหมายความหนุ่มสาวในการปฏิบัติ เรียกกล่าวไปทีก็เรียกว่ายังใหม่อยู่ก็ได้ถ้ายังหนุ่มยังสาวอยากจะเล่นก็เล่นแต่ว่าอย่าหลงเล่นแล้วก็อย่าหลงอย่าท่านลงตนมาเป็นคนดีการทรงอภิญญาแบบนี้จัดว่าเป็นโล ก, กีวิสัยยังไม่มีอะไรที่ดีพิเศษดูในสมัยองค์สมเด็จพระบรมมรรคกิจพระเทวทัตท่านทำได้แบบนี้ท่านลงในความดี ในที่สุดก็มีความอกตัญยูไม่รู้คุณองค์สมเด็จื่อสัมมาสัมพุทธเจา้าตายลงไปจริงๆแทนที่จะไปสวรรค์ไปฟรมก็เป็นลงอเวจีจีมหานรกซึ่งมันไม่เกิดประโยชน์ถ้าเพิดเพยูนในเรื่องนี้เขาถือว่าเป็นเด็กเกินไปเออเป็นเด็กใหม่เพิ่งสอนเดินคนที่เก่งในพิญญาสมาบัติ แล้วก็เพลิดเพลินอยู่ในพิญญาสมาบัติมีความท่านลงตัวมีความเข้าใจว่าตัวเป็นผู้ดีเป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐอย่างนี้ท่านือว่าเป็นผู้เป็นอะไรท่านเทว่าเป็นเด็กเล็กๆในการเจริญพระสมมธรรมไม่ใช่เป็นผู้วิเศษวิโสมดีอะไรเพราะเพราะว่าตัวเองในยังไม่ได้คนนรก ยังอยู่ในขอ้อไข่เขมรรกฉะนั้นหากว่าท่านนักปฏิบัติทั้งหลายผู้ปฏิบัติเพื่อหวังผลพ้นจากความทุกข์ก็ให้ดูตัวอย่างพระลูกชายของในช่างทองพระลูกชายเขางนช่างทองไหมท่านทำยังไงพระพุทธเจ้าสอนแบบไหนต่อนจะต้องกลับย้อนไปสอนใหม่อีกไหมผมได้เคยพูดแล้ว ว่านักปฏิบัติพระกรมฐานที่เคยปฏิบัติกันมาครูบาอาจารย์สอนแบบไหนท่านไม่ย้อนถอยหลัง ล, ลูกผู้รับผู้ที่ปฏิบัติจริงๆเขาก็ไม่ยอมย้อนถอยหลังพูดไปยังไงเขาจาแบบนั้นนั่นก็อาศัยปัญญาประกอบปฏิบัติให้ถึงเข้าถึงความดีความชอบ ให้เข้าถึงจุดหมายปลายทางของแนวทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการฉะนั้นถ้าหากว่าผมต้องพูดถอยหลังกลับอีกครั้งโดยที่ท่านทั้งหลายจาไม่ได้ผมก็ถือว่าเลวเกินไปสำหรับในสมณธรรมกือ ว, ว่าเลวเกินไปสาหรับพระพุทธศาสนาถ้าเราพูดอย่างนี้ผ่านมาแล้วจำไม่ได้ก็พยายามตั้งอกตั้งใจ อดิฐานจิตไว้ว่าตายแล้วจะไปนรกขุมไหนจะได้ไปได้สมความปรารถนาถ้เาเรท่านพโยคาวาจทารทั้งหลายเวลาที่แนะนํากันเรื่องกระสิงก็ขอจบเกียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแต่ท่านพโยคาวาจรที่ท่านที่มีความปรารถนาดีปรารถนาชอบตามระบอบของพระธรรมวินัยต่อไปสวัสดี